ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปัทมายาเมเทศนารายการธรรมะที่จะพาทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งจิตใจเพื่อความสงมบก่อนเข้านอนกับอภิชาโตภิคุซึ่งก็อยากจะให้มันเป็นธรรมเนียมเลยว่าการที่ทุกท่านเข้ามาฟังรายการปัทมายาเมเทศนาเนี่ยก็อยากจะให้ได้เข้าสมาธิพร้อมกับการฟังไปด้วยการทําสมาธิ ตอนที่เรามีเวลาว่างเป็นของเราอยู่อย่างนี้ก็อยากจะให้นั่งมากกว่านอนนะเพราะว่าไม่งั้นมันก็ง่ายกับการหลับการที่เรามานั่งเนี่ยโอกาสง่วงมันก็เยอะอยู่แล้วเพราะเราก็ทำงานมาทั้งวันมีกิจกรรมทั้งวันมันก็เหนื่อยมันก็เพลียแต่การที่ร่างกายมันเหนื่อยมันเพลียเนี่ยใจมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันก็เหนื่อย เคลียได้เหมือนกันซึ่งใจมันก็ต้องการการพักผ่อนนะแล้วก็ต้องการอาหารด้วยซึ่งความสงบเนี่ยมันก็เป็นอาหารที่ดีที่มันจะทำให้ใจเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นและการที่เรามาทำความสงบอยู่อย่างนี้มันก็เป็นการที่ให้ใจได้พักด้วยพูดง่ายก็คือได้ทำาออย่างเลยก็คือ ให้ใจได้พักจากอารมณ์วุ่นวายทางตาหูจมูกลิ้นกายความคิดนึกปรุงแต่งแล้วก็ได้มาให้อาหารดีๆกับใจอาหารดีๆก็คือลมหายใจนี่แหละหรือคำบริกรรมพุทโธนี่แหละซึ่งมันจะเป็นอาหารที่จะมาปรับสภาพให้ใจเราเนี่ยมาสงบเยือกเย็นผ่องใสเบิกบานได้ แต่การที่เราจะมาพักเนี่ยก็อย่าพึ่งทําใจว่าเราจะมาทําการพักผ่อนนะการที่เรามาเข้าสมาธิมานั่งคูบันลังทำกายให้ตรงแล้วก็ดําลงสติเฉพาะหน้าอยู่ที่ลมหายใจแต่ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราต้องการที่จะมาทำอย่างนี้เพื่อเป็นการพักผ่อนเนี่ยก็ไม่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ย มีเป้าหมายไว้อย่างนั้นซึ่งการที่เราตั้งเป้าไว้อย่างนั้นเนี่ยเวลาเราดูลมหายใจเนี่ยจิตมันก็จะถ้าเกิดมันเริ่มที่จะสงบจากอารมณ์ภายนอกแล้วเนี่ยมันก็จะวกเข้าไปแช่อยู่ในอารมณ์สติที่เรามีที่มันแจ่มชัดรู้ชัดอยู่ที่ลมหายใจหรืออยู่กับคำบริกรรมพุทโธเนี่ยมันก็จะแชร์เชิญลงไป มันก็จะเข้าผวางนั่นแหละแต่ทีนี้สิ่งที่เราอยากได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยากได้ก็คืออยากได้สติมากกว่ามากกว่าความสงบความสบายที่มันจะเป็นของแถมจากการที่เรามาทำสติให้มันอยู่กับลมหายใจอย่าลืมนะไอ้วิธีที่เรากำลังทำอยู่อย่างนี้เนี่ยเรามีชื่อเรียกกันสมมติถ้าใครใช้บริกา ร, รพุทโธพุทโธอย่างเงี้ย มันก็เป็นพุท ธ, ธานุสติก็คือมีสติระลึกถึงพระพุทธเจ้านั่นแหละหรือสำหรับคนที่มาดูลมหายใจก็มีชื่อทางการเหมือนกันก็เรียกว่าอานาปานสติคือมีสติระลึกรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกซึ่งชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะมันเป็นการฝึกสติอ่ะ ไม่ใช่ฝึกสมาธิแล้วผลที่ได้ของการทำอย่างนี้เนี่ยก็คือสติสตินะไม่ใช่สมาธิสมาธิเป็นของแถมต่างหาเป็นของแถมจากการที่เรามีสติอยู่ณจุดจุดเดียวพอมีสติอยู่นะจุดจุดเดียวใจมันก็กินอารมณ์ที่เดียวอารมณ์เดียวอย่างเช่นอารมณ์ของการหายใจเป็นต้นเวลาที่เรามีสติ จดจอต่อเนื่องอยู่กับลมหายใจได้ไม่หวั่นไหวไปไหนใจมันก็กินอารมณ์ของการหายใจอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วใจเนี่ยมันก็มีความตั้งมั่นลงไปในอารมณ์ของการหายใจได้พอตั้งมั่นอยู่อย่างต่อเนื่องไปได้เนี่ยเราก็เรียกว่าสมาธิมีอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่กับอารมณ์ เดียวของการหายใจความสงบก็เกิดขึ้นสงบจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความคิดนึกปรุงแต่งมาจดจ่อต่อเนื่องอยู่ที่ลมหายใจหรือคำบริกรรมของเราซึ่งแน่นอนการที่เรามีอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่อย่างนี้เนี่ยความสบายมันเกิดขึ้นในใจแน่นอนเพราะว่าใจเนี่ยถ้าลองมันได้มีอารมณ์หลายๆอย่าง เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยมันเหนื่อยแต่การที่มันได้หยุดไม่ต้องวิ่งไปทางความคิดไม่ต้องวิ่งไปทางตาทางหูหรือทางร่างกายเนี่ยมันได้หยุดหยุดแล้วมันก็ได้พักได้พักแล้วมันก็มีความสบายมีกําลังแน่นอนแต่คนส่วนมากเนี่ยก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราก็อยากจะมา ทำสมาธิหรือฝึกสติเราเนี่ยเพื่อที่จะได้ความสบายตรงนี้พอได้ความสบายตรงนี้แล้วก็รู้สึกอ ม, มันดีแล้วเราก็ยินดีพอใจมันอยู่ตรงนี้แหละเวลามีเรื่องมีเราในภายนอกมีปัญหาเราก็พยายามจะมาเข้าสมาธิมาดูลมหายใจหรือจะบริกา ร, รพุทโธก็แล้วแต่เพื่อที่จะให้ความสงบความสบายเกิดขึ้นที่ใจ แเราก็รู้สึกว่าอืมมันก็พอที่จะไปได้ปัญหาที่มีมันก็รู้สึกว่ามันก็ยังอยู่ข้างนอกมันไม่มาทิ้มแทงใจเราแต่ถ้าเกิดเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราทำอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะนามาซึ่งข้อเสียเหมือนกันเพราะการที่เราเข้าสมาธิมีอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่ได้บ่อย เวลามีเรื่องมากระทบใจเราก็บ่นดูลมหายใจบ่นมีพุทโธ ร, รักษาใจแล้วเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าเรื่องข้างนอกมันก็เป็นไปมันเข้าไม่ถึงใจเราอย่างนี้มันก็จะทำให้เรามีความเห็นว่าการที่เราอยู่กับลมหายใจอยู่อย่างนี้อยู่กับคาบริกรรมพุทโธอยู่อย่างนี้เป็นการแก้ปัญหา เป็นการทำให้ใจของเราเนี่ยหลุดพ้นจากปัญหาไปได้ซึ่งถ้าเรามีความรู้สึกที่ใจอย่างนี้นะต้องย้ำว่าเป็นความรู้สึกในใจอย่างนี้ซึ่งมันก็เป็นการโยงไปสู่ว่าใจของเราเนี่ยมีความเห็นอย่างนี้ว่านี่คือวิธีที่เราจะทำให้ปัญหาหมดไปจากใจ ก็อยากจะบอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่ความเห็นที่ถูกต้องการที่เรามาฝึกฝึกสติอย่างนี mm hmm. ้ก็เพื่อที่จะให้ใจของเราเนี่ย mm hmm. เท่าทันวรจิตของเราเอง mm hmm. เท่าทันความคิดนึกปรุงแต่งของเราเองแต่ถ้าเรามาสงบสบายอยู่ได้เรื่อยๆเนี่ย mm hmm. มันก็จะทําให้เราเนี่ยมีความเห็นว่าอื ปัญหาทุกอย่างมันหมดไปด้วยการที่เรามันดูลมแล้วเราก็ใจสบายแล้วเราก็จะมีความรู้สึกเกิดขึ้นอีกอันหนึ่งว่าอืมดูลมแล้วมันก็สบายดีทุกมันก็ลดลงไปหรือมีดนดนกิดกันออกไปหรือใจมีกรอะป้องกันความทุกข์ แต่ลืมไปอีกอย่างหนึ่งว่าเวลาที่เรามีความรู้สึกอย่างนี้อยู่ได้เรื่อยๆเนี่ยใจของเราเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นในด้านรังเกียจความทุกข์มากขึ้นเราก็มีความหวงแหนในความสุดคือความสงบอันนี้ที่มันมากขึ้นถ้าทุกท่านเนี่ยได้ลองทำความสงบให้เกิดขึ้นแล้วเนี่ย ก็ค่อยๆลองสำรวจจิตใจตัวเองว่าเรามีความรู้สึกอย่างนี้หรือเปล่าแน่นอนคนที่ได้รับความสงบอยู่อย่างต่อเนื่องเนี่ยผู้พูดเองต้องบอกเลยว่ามันน่าจะต้องมีความรู้สึกอย่างนี้แน่มีความรู้สึกหวงแหนความสงบความสุขอันนี้หรือมีความรู้สึกว่าไอ้ความสงบความสุขอันนี้เนี่ยมันดีเวลาที่เรามีความทุกข์เราทําความสงบให้เกิดขึ้น แล้วความทุกข์ที่มีมันก็ออกไปจากใจเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเอออันนี้มันเป็นวิธีการแก้ปัญหาจัดการหรือจะพูดที่มันคา์ดคอ์ขึ้นมาอีกหน่อยก็คือเป็นวิธีการแก้กิเลสในใจนั่นแหละแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยถ้าเราคอยละเอียดลออกับจิตใจของเราให้ดีเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยมีความหวงแหนในความสุขจากสมาธิมีความยึดติด อยู่ในความสุขของสมาธิแล้วเราก็รังเกยียจความทุกข์ที่มันมากระทบกระเทือนใจทำให้ใจเราเนี่ยมีความเศร้าหมองขุ่นมัวหรือเล็กน้อยก็คือมีการกระเพื่อมหวั่นไหวพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยความเกลียดทุกข์ความไม่ชอบความทุกข์ความชอบความสุข มันก็จะเริ่มสุดต่งขึ้นมาซึ่งมันไม่ดีใช่ไหมต้องตอบว่ามันไม่ดีสิเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันส่วนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้านะการที่เรามาปฏิบัติธรรมะเพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะมาศึกษาความจริงนะความจริงเกี่ยวกับทุกข์ความจริงเกี่ยวกับเหตุเกิดทุกข์ความจริงเกี่ยวกับความดับวามทุกข์ ความจริงเกี่ยวกับเครื่องดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ซึ่งเวลาที่เราปฏิบัติไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเราจะไม่ใช่คนที่รังเกียจความทุกข์นะเราก็จะเป็นคนที่ไม่ยออท้อต่อความทุกข์ไม่รังเกียจความทุกข์เพราะทุกข์เป็นครูเพราะทุกข์จึงทำให้เราเข้าใจทุกข์แล้วเราก็เข้าใจเหตุ ข, ของความทุกข์แล้วเราก็ ละวางความยึดมั่นถือมั่นลงไปได้เพราะฉะนั้นการที่เรามีความรู้สึกว่าเราเจอทุกข์แล้วเราก็รังเกียจความทุกข์แล้วเราก็เข้าสมาธิได้ความสุขแล้วเราก็ยินดีอันนี้มันยังสวนทางกับสิ่งที่เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าจะต้องการให้เราเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการของความทุกข์ไม่ใช่ให้เป็นนักหลบไม่ใช่ให้เป็นนักหนีไม่ใช่ให้เป็นนักหาวความสุขแต่ให้เป็นคนที่เข้าใจมันให้เป็นคนที่ศึกษาจนเข้าใจมันพอเราศึกษาเราเข้าใจมันเราจะได้คุณสมบัติอันหนึ่งก็คือได้ นิพพิธาคือความหน่ายเพราะอะไรไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นความสุขก็ดีมันก็เป็นของที่พอเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจได้ว่ามันเป็นของที่ไม่เที่ยงมันเป็นของที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยของมันนั่นแหละความสุขก็เหมือนกันมันมี แล้วมันก็หมดไปได้เพราะฉะนั้นการที่เรายังยึดถืออยู่ในความสุขมีความยินดีพอใจในความสุขนิ้พิธามันก็เกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนเพราะเรามีความเห็นว่ามันเป็นของดีเป็นของที่ควรค่าเก็บการยึดเอาไว้ถือไว้แต่คนที่ปฏิบัติแล้วเข้าใจความจริงในไตรลักษณะคือสามัญยลักษณะของมันคือมันไม่เที่ยง เราก็ใช้มันนะใช้แบบไม่ยึดติดอะ่ะคือคนที่ยังไม่เข้าใจก็คือใช้แล้วก็ยึดติดใช้แล้วก็ยังอยากให้มันอยู่กับเรานานๆถ้ามันไม่มีเราก็ยังอยากสะสมมันไว้หรือถ้ามันเป็นของไม่ดีเราก็รีบกําจัดมันออกไปเร็วๆพูดง่ายๆคนที่ปฏิบัติได้ดีแล้วเนี่ยมันจะมีใจที่ไม่หวั่นไหว มีใจที่เป็นกลางต่อความสุขและความทุกข์เพราะอะไรเพราะไม่เห็นว่ามันเป็นของที่มีสาระัะถ้าเราเห็นว่ามันเป็นของที่มันไม่มีสาระเกลนสารเนี่ยใจมันก็เฉยๆได้ใช่ไหมเพราะมันเฉยๆเนี่ยมันใจมันก็เป็นกลางๆกับกับสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์เนี่ยแหละมันเป็นกลางๆได้ พอมันเป็นกลางกลางได้เนี่ยนิพิทามันก็เกิดขึ้นคือความหน่ายพอมันมีนิพิทาเกิดขึ้นคือความหน่ายความคลายกำหนัดคือความยินดีพอใจมันก็วางได้หมดไปได้จากใจทำให้เกิดความรู้รู้ยิ่งความรู้พร้อมพร้อมกับความดับดับอะไรดับกิเลสไปจากใจเรานี่แหละ แล้วก็ถึงนิพพานได้แเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือความเข้าใจความรู้นะแต่แน่นอนพอพูดอย่างนี้เพิ่มเนี่ยบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ผูพ้พูดเนี่ยกำลังพูดให้ตัวคําว่าสมาธิเนี่ยเป็นตัวร้ายภาพลักษณ์ไม่ดีไม่ใช่นะจริงๆแล้วมันต้องไปคู่กันนั่นแหละแต่ไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ย ไปตกหลุมพรางอย่างที่ผู้พูดเนี่ยเคยตกมาแล้วเคอการที่เราเข้าสมาธิได้ดีเข้าสมาธิได้ built, บ่อยๆเข้าสมาธิได้อย่างต่อนเนื่องอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีความเห็นอย่างที่ว่ามาน่แหละ ว, ว่าการที่เรามีเรื่องอะไรที่มันกระทบใจโดยผ่านทางตาทางหูทางพฤติกรรมข้างนอกหรือแม้กระทั่งความคิดเราเองเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีเนี่ยเรื่องที่มันจะมากระทบใจเราเราก็ ย้อกลับมาที่ลมพอย้อนกลับมาที่ล ม, เ ร, ล ม, ลมเราก็ารู้สึกว่าเออใจมันก็สบายดีความทุกข์หมดไปด้วยการที่เราย้อนกลับมาดูลมแค่นี้เองเราก็จะเข้าใจว่าอันนี้แหละมันเป็นปัญญาไม่ใช่นะมันยังไม่ใช่ปัญญามันเป็นแค่การที่เราเข้าสมาธิแล้วเราก็มีความสุขจากสมาธิมันกลบกลบความทุกข์ ที่ที่เรากําลังไปเชิญอยู่เท่านั้นเองแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็แก้ไม่จบหรอกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็มีเรื่องมากระทบอยู่เรื่อยนี่นแหละแล้วเราก็พยายามรักษาใจเราอย่างนี้ในการที่เราเข้าสมาธิดูลมหายใจอยู่กับพุทโธอยู่กอดเอาไว้แต่แน่นอนอะ่ะมันไม่มีใครที่มันจะไม่เผลอหรอกมันก็ต้องมีความเผลอเกิดขึ้นบ้างแหละ ในช่วงที่มันเผลอจากลมหายใจเผลอจากําบริกรรมเนี่ยทุกมันก็ย่ำหยีหัวใจเราได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าไอ้ตอนที่เรามีใจที่มันจดจ่อตั้งมั่นมีสมาธิอยู่มันก็เหมือนเอาหินเนี่ยไปทับหญ้าไว้เวลาที่เราเผลอก็คือหินนี่มันหลุดออกจากกอกหญ้านั่นแหละ ยกันก็เติบโตขึ้นมาได้อีกแต่แน่นอนว่าในขณะที่เราเป็นแบบนั้นเนี่ยเราไม่รู้สึกอย่างนี้จริงๆรเรารู้สึกว่ามันเป็นวิธีการแก้ทุกนะการที่เรามาดูลมหายใจแก้ทุกเนี่แหละอันนี้คือวิธีแก้ทุกเลยแต่พอมันก็ต้องมีจังหวนนะเนี่แน่นอนทุกคนมันมีเครื่องสอบมันก็ต้องมาสอบเรานั่นแหละสอบเราจนกว่าเราจะผ่านการที่เรายัง มีความเห็นผิดอย่างนี้มันก็ต้องมีเครื่องสอบเหมือนกันสอบให้เรามาเห็นนั่นแหละว่าโดยจริงๆแล้วไอ้ที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันเป็นทางของพวกฤษีนะมันจัไม่ใช่ทางอย่างที่นำไปสู่ปัญญาความหลุดพ้นไปได้พอเขาสอบเราเนี่ยมันก็จะหนักนิดหนึงแต่การที่เราเห็นแล้วว่าการที่เราดูลมไม่ได้ทุกครั้งดูลมไม่ได้ ที่ไม่ได้บ่อยขณะที่เราจะสู้กับภาษาข้าง น, นอกได้เนี่ยพวมันเล่นเราอ้วมเลยเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจแล้วว่าการที่เราจะมาดูลมหายใจแล้วก็มีความสงบตั้งมั่นอย่างต่อเนื่องไ่ได้เรื่อยๆเนี่ยมันทําไม่ได้ละพอทําไม่ได้แล้ ว, ลวเราก็ต้องทํำยังไงล่ะเราก็ต้องมีวิธีการใหม่อะ่ะควรมีทุก์มันก็ต้องดิน้น รนที่จะไปหาทางพ้นทุกข์ใช่ไหมเสร็จแล้วจะเป็ยังไงคนเขาต้องมีสติสิสติเป็นพื้นฐานเยแหละแล้ ว, ลวมันก็ไม่ได้ทำต่างกันมากนะเพียงแต่ว่าสติที่เราตั้งขึ้นใหม่อันนี้นะเราจะไม่ได้ยินดีพอใจในอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นในจิตของเราเราก็จะถอนความเป็นเราออกจาก อารมณ์สงบอันนั้นนแหละพูดง่ายถอนเราออกจากอารมณ์สงบอันนั้นมาตั้งมั่นอยู่ที่สติจริงๆสติที่อยู่กับลมหายใจจริงๆซึ่งสภาวะที่เราถอนออกมาจากความยินดีพอใจในความสงบในอารมณ์สงบอันนั้นได้เนี่ยกลับมาไว้ที่สติเฉพาะหน้าอยู่ที่ลมหายใจได้จริงๆเนี่ยสภาวะมันก็เป็นสติที่มันมีสภาวะต่างกันนะ สภาวะแบบหลังนี่มันเป็นสภาวะของสติที่มันมีความตื่นตัวมีความรู้พูดง่ายๆมันเหมือนกับสติกับสัพชัญญะมันคู่กันไปเลยแต่การที่เรามีสติแล้วเราแช่อยู่ในอารมณ์สงบอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นสติที่มันมันไม่ตื่นมันไม่เบิกบานมันเหมือนจะคำว่าสัปพัญญะมันจะไม่มีนะคือความรู้ตัวทั่วพร้อม เพราะว่าอะไรเพระเาะว่าเราก็จมอยู่กับความสงบไอ้ความตื่นรู้ซึ่งมันเป็นคุณลักษณะของปัญญาคุณลักษณะของการคร้ครวญพิจารณาไม่ไม่นอนเนื่องไม่ประกอบไปด้วยโมหะอย่างนี้มันเกิดขึ้นพอเราเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีสติที่มันมีกำลังดีขึ้นไปอีก แล้วเราก็เป็นผู้ที่จะไม่ไว้ใจในอารมณ์ในจิตของเราแหละแล้วพอเรามีสติที่มันไม่นอนแช่นอนเนื่องอยู่ในอารมณ์สงบแล้วเนี่ยเราก็จะมีง่ายๆเราก็เท่าทันอ่ะเท่าทันในอารมณ์ดีขึ้นมันเหมือนคนที่ไม่ขี้เกียจสมัยก่อนเหมือนเป็นคนขี้เกียจ ทำอะไรแล้วก็เข้าห้องพักผ่อนงานก็ไม่ค่อยเดินแต่ทีนี้เราเลิกขี้เกียจแล้วเราก็มีกำลังมาทำงานด้วยแล้วเราก็ทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยงานที่ว่านั่นคืออะไรงานที่ว่าก็คือก็พิจารณาน่แหละพิจารณาให้เราเห็นถึงเข้าถึงในไตรลักษ เห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงนะถ้าเรายังยึดไว้อยู่เนียมันก็เป็นของไม่เที่ยงสำหรับเราพอมันหายไปถ้าเรายังอยากได้อยู่เรายังยึดอยู่มันก็นำความทุกข์มาให้เราเพราะนั้นการที่เรามีสติละเอียดลงไปอีกจดจ่อลงไปอีกเราก็จะเท่าทันไอ้ความยินดีพอใจในอารมณ์เท่าทันความยึดถือในอารมณ์ในใจของเรา ซึ่งเวลาที่เรามีสติที่มันดีอย่างนี้นละเอียดอย่างนี้เนี่ยเราก็จะค่อยค่อยเห็นนั่นแหละ ว, ว่าเวลาที่เราเผลอนะมันก็ไม่ยินดีในอารมณ์มันก็วิ่งเข้าไปในความคิดของเราไปไปเป็นหนึ่งเดียวกับความคิดพูดง่ายก็เหมือนเป็นพบพบหนึ่งเป็นเราเข้าไปแสดงหนังอยู่ในความคิดของเราแต่พอเรามีสติที่มันเป็นสัมมาสติที่ดีที่มันตื่นรู้เนี่ยเกิดขึ้นอีก มันก็เหมือนกันไกลนะตัดชับออกไวดึงตัวเราออกมาจากพบของความคิดอันนั้นดึงตัวเราออกมาจากพบของความคิดอันนั้นได้ก็มีสติตั้งอยู่ที่เฉพาะหน้าพอมีสติตั้งอยู่เฉพาะหน้าอย่างนี้ได้มันก็เห็นเหมือนเดิมนั่นแหละก็คือเห็นสติเห็นกายเห็นอารมณ์ในใจแล้วก็คอยระวังความเผลอที่ ส่วนมากมันจะเผอเข้าไปไปคิดนี่แลแล้วเวลาที่เราเผอเข้าไปคิดปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นโรคอีกใบหนึ่งที่เราจะเมามันกันมันละ่ละเราก็จะต้องอาสติที่มันเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมัตัดมดันอีกชอบแเราก็ย้อนกลับมาอยู่ที่สติเฉพาะหน้าอีกพอเราทําอย่างนี้ได้อยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยๆอยู่เนืองเนือง อันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าต้องเฉพาะนั่งอย่างเดียวนะเราทำตลอดไม่ว่าอิริยาบถไหนๆแต่ถ้าจะให้มันเห็นอย่างนี้ได้เนี่ยผู้พูดก็แนะนำว่าการเดินก็จะทาให้เราเห็นสภาวะลักษณะชิ้นนี้เนี่ยดีขึ้นอีกเพราะว่าการที่เรานั่งเนี่ยโอกาสที่เราจะแช่ในอารมณ์ก็มีเยอะเพราะฉะนั้นเราก็หัดทาทั้งนั่งสมาธิด้วยเดินจงกรมด้วยให้มันสม่เสมอ เสมอหมายควาว่าไม่ได้นั่งสมัครที่อย่างเดียวโดยไม่เดินจงกรมเลยเราก็ต้องหาเวลาไปเดินจงกรมด้วยซึ่งการที่เราเดินจงกรมแล้วเราไม่ได้เข้าในภาวางเนี่ยเราก็จะได้ความรู้ความเห็นความเท่าทันในอารมณ์เท่าทันความคิดเท่าทันความเผลอของเราได้จากการเดินได้ดีขึ้นซึ่งวันนี้ก็พูดมาเยอะแล้วละ่ะเดี๋ยวค่อยมาพูดกันใหม่ว่า ถ้าเกิดเรามีสติที่มันเท่าทันความเผลออย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะได้อะไรมาจากตรงนี้เพิ่มขึ้นเดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาว่ากันใหม่จเจริญพร